ทั้งหมดยี่สิบสี่รูปนะลงมาฉันสิบเก้ารูปงดฉันห้ารูปมานะวันนี้รู้สึกว่าหนาวหนาวกว่าทุกวันที่ผ่านผ่านมาไม่ถึงขนาดหนาวเย็นสบายสบายวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้า ร้อยห้าสิบเจ็วันนี้คณะสงฆ์ภาคแปดได้รวบรวมทั้งภาคอุดร น, น้องคายบึงการสกลนครน้องบัวลมพูเลยจะได้ไปสวดอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสอาดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยที่ท่านมรณะภาพ หลวงปู่วันนี้จะรวมกันแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศรีละสังขารของท่านแต่หลวงพ่อวันนี้มีนัดญาติโยมผู้ใหญ่แล้วก็เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยตอนเที่ยงจะได้ลงอุโบสถวันนี้ ก็เลยไม่ได้ไปร่วมแต่ได้มอบจจตุปัจจัยผ้าไตรจะจตุปัจจัยไปร่วมคณะสงฆ์ฝากไปกับท่านเจ้าคณะอำเภอนายุงหลวงพ่อชาลีวัดป่าภูก้อนไปแล้ววันนี้คงจะไปวันนี้ประมาณ16ศูนย์ศูนนอจะมีการสวดพระอภิธรรมแต่วันพรุงนี้วันมะรืนนี้วันพุงนี้ เป็นวันพระราชทานเพลิงเป็นวันอาทิตย์นี่แหละภารกิจธุรกิจเรื่องภาระแต่ตามไม่จริงงานพระราชทานเพลิงครูบาอาจารย์ถ้าหลวงพ่อไม่จําเป็นจริงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคงไปแต่คราวนี้ก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะ้ลูกหลานเพราะว่า วันที่คืนวันที่สิบแปดอาหารเป็นพิษอยู่ที่วัดรวมธรรมวัดของท่านรัตนะอำเภอเพนมันยังอ่อนเพลียมันกระทั่งทุกวันนี่นี่แหละอ า, อายุสูงขึ้นมาแล้วมันมีอะไรม า, าชนหน่อยหนึ่งมันก็ทลาไปมากพอสมควรเหมือนกันนะ เ, เพราะถาดาขันมัน มันอ่อนไม่อ่อนได้อย่างนี้อายุเจแล้วก็อาหารเป็นพิษในคืนนั้นก็หนักพอสมควรถ่ายหลายถ่ายหลายครั้งเพราะนั้นอาการทางร่างกายรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่พร้อมอ่าวันพุ่งนี้ยังคิดอีกเหมือนกันว่าจะไปในงานพระราชทานเพลิง สรีระสังขารของท่านได้หรือไม่อันนี้ก็คิดๆหลวงนาว้เหมือนกันเพราะความไม่พร้อมของร่างกายนะแล้วก็เมื่อวานเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเมื่อวาน วัดของเราได้แต่ก่อนหน้านี้วัดของเราได้ตกลงว่าจะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อคณะผอทั้งผ อ, อ, อทั้งคณะแพทย์เขามาหลวงพ่อก็ตกลงอเอาเอาได้แต่เขาต้องการสามรายการแต่หลวงพ่ออสามรายการคงไม่ไหวแล้วลูกหลาน ขอสักรายการหนึ่งประเดิมก่อนแต่ส่วนอื่นนั้นยังค่อยว่ากันอีกเพราะว่าปีนี้หลวงพ่อก็ได้สร้างที่พักสำหรับคนเยี่ยมไข้ที่จังหวัดอุดรงบงบดูแนละ้วก็จะป่าเขาประมาณสองล้านแลแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีนคริน เครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูง ต, ตัวนั้นก็จ่ายไปล้านเจ็ดแล้วก็ทางโรงพยาบาลศูนย์ข อ, อนแก่นเข้ามาอีกเข้ามาขออีกกันแบบลักษณะเครื่องเดียวกันตัวนั้นก็ล้านเจ็ดเหมือนกันเป็นเครื่องโอลิมปัสแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ก็ตกลงแล้วล่ะพร้อมที่จะ ้าของมาแล้วก็คงจะเข้ามาแต่ตอนนี้ขนแก่นมาก่อนพอหลวงพ่อตกลงเขาไว้ก่อนแล้วเขาออกเครื่องมาส่งเลยเมื่อวาน ấy, กับคณะหมอพยพคณะพยาบาลมาเมื่อวานนี้หลวงพ่อเห็นเครื่องแล้วก็ น, นิมนต์พระหลวงตาที่เกี่ยวข้องไปนั่งดูด้วยกันเขาก็สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือว่าเครื่องตัวนี้เป็นของ เครื่องพาตัดห้ามเลือดด้วยความถี่สูงเย่ห้อจอรสันแอนแอนจอสันเป็นของอเมริการาคาถ้ารวมแวดเข้าไปด้วย1น0 0 0ล้านเ0็แแต่หลวงพ่อได้พูดทางโรงพยาบาลเขาต่อรองช่วยหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อยากจนเลย ไม่รวยตกลงได้ล้านหกแสนแต่ภาษีนั้นเป็นทางบริษัทเขาจะเป็นผู้จัดการเองฮก็เมื่อวานก็มาพูดคุยกันตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สาธิตวิธีการใช้ให้กับพวกที่มาดูมาเมื่อวานนี้หลวงพ่อเห็นนะเออเป็นที่พอใจเพราะเป็นเครื่องมือตัวเล็กแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้มาก ห้ามเลือดพอเลือดทุกวันเนี่ยมันก็หายากอีกต่างหากกับตามหลักหมอหลักตามหลักที่เขาเล่าๆให้หลวงพ่อฟังไม่รู้ว่าไวรัสซีไวรัสบี B, ชิฟิลิตรวันหน้าโรคอะไรมีเยอะแยะไปหมดโรคทุกวันนี่ก่อนที่จะได้เลือดมาเข้าร่างกายของแต่ละคนเป็นการกันกรอง ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนพอสงควรนะนหลวงพ่อก็ได้ยินะเพราะฉนะนั้นหลวงพ่อเมื่อวานนี้ก็ได้ตัดชี้ใจอก่อนหน้านี้แล้วว่าจะซื้อเครื่องมือให้แพโรงพยาบาลอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพเนี่ยเขาขอเป็นจังหวัดหลายครั้งแล้วนะแต่คราวนี้คงไม่พลาดนะเพราะเป็นจังหวัดเป็นอำเภอใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น แต่หลวงพ่อก็เข้าไปดูก่อนที่จะให้หลวงพ่อก็เข้าไปดูในโรงพยาบาลเขาเหมือนกันพราะข่าวนั้นไปจังหวัดชัยภูมิคณะแพทย์ก็ไปพบหลวงพ่อแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเข้าไปดูโรงพยาบาลเข้าไปดูแล้วโอ้เครื่องมืออย่า ง, างน้อยมากนะเพราะนั้นแต่คนเยอะเยอะจริงๆริงเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าจะ ถ้าเราพอมีกําลังควรควรจะช่วยนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลชุมแพเป็นเงินนี่แหละล้าน 0,000 นบาทเพราะฉะนั้นขอบอกให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมพระเนนทุกรูปนะรับรู้รับทราบเพราะเงินนี้ไม่ใช่ปัจจัยนี้ไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพอ่อเป็นปัจจัยเกิดมาจากวัด ้างว่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายก็คงจะถวายไม่มากเพราะหลวงพ่ออยู่องค์เดียวแต่นี้พระหลายองค์เขากอยถวายจะถกปัจจัยก็ได้มาก็หลายถวายเผื่อองค์นั้นองค์นี้เพราะนั้นเป็นปัจจัยส่วนรวมในเมื่าได้มาแล้วก็นั่นแหละแบ่งทำถ น, นนบ้างสร้างวัดลูกน้องตามวัดต่างๆางบ้า ง, งแบ่งซื้อเครื่องมือบ้าง มันหลายบ้างเหมือนกันแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักไม่ได้หนักใจแต่คราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าปีนี้ที่เราซื้อเครื่องมือถ้าหากว่าไม่ไม่มีมันไม่ฟุกมาอีกนะมันเพียงแค่นี้ไปว่าเครื่องร้อนสับหลงตาถ้าว่าเครื่องมันร้อนมันเรียกตัวเลขมันออกสีแดงแล้วทำอีกไม่ได้ก็คงจะงดไว้ก่อน ถ้ามันโผล่ขึ้นมามันงอกเงยขึ้นมาแล้วยังค่อยว่ากันอีกขั้นตอนต่อไปถ้ามันไม่งอกไม่เงยเราก็หยุดเพราะชีวิตของพระเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีการทํามาค้าขายเราเรียงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอันนี้ก็คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาโดยเป็นธรรมก็แจกโดยเป็นธรรม ไม่เดือดร้อนไม่ทุกใจในการกระทำในการสงเคราะห์อนุเคราะห์มีมาก็เออเอามีโดยเป็นธรรมถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่ออะไรก็ต้องมีความหมายเก็บในการเก็บการจ่ายไปกับมีความหมายเพราะนั้นคราวนี้เมื่อวานนี้ตกลงแล้วคงจะได้โอนใจ่ายให้เขาตามที่ทางบริษัท ตกลงกันแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นข้อนแก่นนะก็ประมาณล้านเจ็ดตัวนะของข้อนแก่นเนี่ยนะถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่เล่าให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังทำไปแล้วก็จบพวกเราคณะทายาิโยมลูกหลานก็คงจะสงสัยว้ปัจจัยที่ลงถวายหลวงพ่อไปนะั้นทำประโยชน์อะไรบ้างฮนะถ้าว่าพูดให้ฟังทุกครั้ง ก็หลวงพ่อเคยพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าหลวงพ่ออิ น, นขี้อวดออพอทำอะไรแค่เล็บดำก็อวดหน้าอวดหลังออผู้คิดอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนะคณะสทายญญาจยงเพราะมันหลายคนนานาจิตตางนานาทัศนะนานาความคิดความเห็นออผู้เห็นด้วยอนุโมทนาสาธุก็มีผู้อิจฉาตาเหลือก็มีมันมีมากระโล ก, กนะ เพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพูดดีกว่าชี้แจงให้เคลียร์ตัวตัวเองดีกว่าเคลียร์วัดวาศาสานาดีกว่าดีกว่าไม่พูดอะไรเลยทําไมพูดอะไรมันอึมครึมพอมันอึมครึมก็วิจารณไปนานาต่างๆเสียหายแต่เราพูดเนี่ยจะเกิดประโยชน์แต่ว่าผูดที่มีน้ําจิตน้ําใจแต่หลวงพ่อทําทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อไม่ใช่ทําโดยพระการ เรากคิดได้คิดทำหลวงพ่อก็มองดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเหมือนกันหลวงตาพาดำเนินอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายถ้าได้ฟังธรรมเทศนาเอ็มพสของท่านพวกเราก็คอยพอจะจับประเด็นได้ว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์ขององค์หลวงตานั้นเป็นยังไงแต่บางคนก็บอกว่าหลวงพ่ออินวัดลอยหลวงตาหลวงตาทำอย่างก็ทาอย่างงั้นอ้าว จะไม่ให้ทำอย่างไงถ้าหลงตาเดินซ้ายเราเดินขวาอย่างนั้นเลอถ้าถ้าถ้าหลงตาเดินหน้าเราจะถอยหลังอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อีกเราก็ต้องเดินตามรอยของท่านถ้าท่านพาดําเนินอย่างไงเป็นธรรมไหมเป็นวินัยไหมถูกต้องไหมถูกตามโลกสมมติไหมไม่ผิดนะนี่เราพิจารณาการกรองด้วยปัญญาของเราแล้วเราก็เดินตามหลังของท่านเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดะ คนโบราณเขาไหวอย่างนั้นอันนี้คงเหมือนกันเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นแหละคนเดินออกนอกลูก่นอกทางไม่ไปตามแนวแถวปฏิปทาหรือไม่ไปตามแนวแถวของพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละผิดผิดทางกว่าจะรู้ได้มันพอแรงบางทีก็เก่งก็เก่งเกินไป เิครูนะเพราะว่าใช้ความคิดของตนเองแต่ใช้แนวแถวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคิดยังไง เ, เราก็พยายามเออใช่ท่านคิดถูกนะถูกต้องที่ท่านทำนะ เ, เราก็ทำตามแต่บางคนบางคณาครูบาอาจารย์ก็ได้ยินพอหลวงพ่อเกิดมานานพบครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ บางองค์บางกลุ่มบางคณะท่านก็นบอกว่าจะเอาไปใช้อย่างไงเงินที่เขาให้มาเขาถวายมาเนี่ยถวายสงสังคตสาโอโนชยามะสาธุนโนพันเตเขาถวายสงเราจะเอาของสงไปใช้เอาไปให้ชาวบ้านเอาไปสงเคราะห์อย่างอื่นไปวัดอื่นไม่ได้มันต้องอยู่วัดนี้เท่านั้นอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นบางวัดเราจะไปแปลกใจที่ท่านไม่ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของ ครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยยึดตามแนวแถวขององค์หลวงตาหลวงตาบอกว่าใช่เขาถวายให้กับสงฆ์ก็จริงอยู่ เ, เมื่อสงกรับแล้วสงฆ์วัดป่าบ้านตารับแล้วเห็นว่าจะเปิดเห็นว่าจะเกิดประโยชน์อต่อพี่น้องประชาชนต่อชุมชนต่อวัดวาศาสานาต่อสาธารณประโยชน์ เราก็ควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามที่ความจำเป็นนั้นนั้นอย่างน้ำท่วมบั่งอะไรบ้่งไฟไหม้บ้างรงตาก็สงเคราะห์เอาปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยสงเคราะห์ให้อาหงอาหารอะไรของเขาตลอดถึงสร้างตึกลานบ้านช่องช่างโรงพยาบาลสร้างอะไรต่อมิอะไรไหไลายๆลยอย่างแต่สรุปแล้วก็คือ มันไม่ใช่ของสงมันไม่ใช่ของอยู่ในวัดแต่ทำไมหลวงตาจึงทำหลวงตาบอกว่าเนี่ยความเห็นของหลวงตาแล้วนะทีนี้หลวงตาบอกว่าแต่ถ้าหาว่าสงไม่สงเคราะห์โลกได้มาแล้วก็เก็บได้มาแล้วก็เก็บแสดงว่าสง์นั้นเห็นแก่ตัวมากไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครสงไม่ควรจะอยู่กับชุมชนของเขาอไมเมื่อชุมชนมารับ แต่จะให้ชุมชนไม่ได้ผิดอแล้วก็สมชนออกมาให้นะรับแสดงว่าสงเห็นแก่ตัวมีแต่รับลูกเดียวที่จะสงเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์สาธารณประโยชน์ไม่มีสงนะั้นไม่ควรจะอยู่กับชุมชนไม่ควรจะอยู่กับใกล้คนนู่นไปอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองเลยนะได้ไหมอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุอะไรอยู่ไม่ได้เพราะาต้องอาศัย พี่น้องประชาชนแต่เมื่อได้จะเขามาแล้วให้เขาคืนไม่ได้นะดูพิจารณาดูสิตรงตาให้เหตุผลหลวงพ่อยอมรับอืมใช่ตรงตานี่ยคิดได้คิดถูกเราเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นด้วยแล้วก็ในเมื่อได้มาอย่างที่หลวงพ่อไดบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังนะ่นี่ยเมื่อไดมาแล้วก็เออเอาไม่เดือดร้อนนะจะให้กับใครก็ตามไม่เดือดร้อนเป็นไปได้นะ ถ้าหากว่าทำไปแล้วเดือดร้อนลูกหลานผู้อยู่ใกล้ชิดเดือดร้อนแผ้ขอไม่รู้จักจบ จ, บจากสิน้นแสดงว่าหลวงพ่อของพวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักวางแผนในการบริหารจัดการจะเป็นหัวหน้าของลูกน้องลูกหลานได้อย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อต้องคิดนะที่จะทำอะไรออกไปคิดก่อนหลายตลบก่อนที่จะ เรื่องอะไรออกไปแต่ก็ไม่ใช่วิตกวิจารนะค็ดแล้วก็ออกไปเลยเทีมันทีท่วนแล้วไม่มีไม่เดือดร้อนแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเรื่องปัจจัยจตุปัจจัยที่เดชอติเลกดาบที่ได้มาในกับวัดของเรานะลูกหลานนะ่ะและก็พร้อมกันการขี้ตนีทีเหนียวมันไม่ดีหรอก ไม่รู้จักแปลงไม่รู้จักวันพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งพระพุทธองค์มองท่านมองดูสัตตวโลกคือพระพุทธเจ้าท่านมีภารลพ่อจวนสว่างพระพุทธองค์จะมองรอบสัตตวโลกมองโลกเหมือนกับเลดา่าอย่างนั้นแต่นี่พยานของพระองค์ อย่างรัตนะของพระองค์เนี่ยมันยาวไกลกว่าเลดา่านในขอบจกกักรวาลเลยเไม่มีประมาณแต่เลดาของเมืองอุดร เ, เลยเดา่าในสนามบินนีมันอยู่ในกรอบมันวงจำกัดใช่อันนี้เลดาของพระพุทธเจ้าท่านมองรอบด้านท่านก็เห็นอานนนเศรษฐีแล้วก็มูลศิลิมูลศิลิเศรษฐี อยู่ในกรุงสาวัตถีอาโนเศถีมีเงินทั้ง8ปดสบโกรเป็นคนรวยกองเมืองในกรุงสาวัตถีแต่ว่าขี้ทนีขี้ขี้เหนียวนีุ่ดไม่มีไม่มีคำว่าแบ่งปันให้ใครเนี่ยไม่มีตกหลนเลยเอ่แล้วก็มีลูกชายชื่ออะมูลชริเศธีลูกชายทนะีนี้ก็มีลูกชายคุณคนเดียวนะเท่านั้นพอใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้ง คณาจารย์ว่าตั้งคณะผู้ที่เคารพนับถือมาสอนวิชาให้กับลูกชายแต่สอนแล้วก็ต้องสอนทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นด้วยบอลูกบอกว่าท่านมูลจิลิท่านจะได้คลองราดแทนต่อบิดาของท่านแทนแทนจากพ่อของท่านท่านจะต้องเป็นผู้รู้จักคุณค่าของสมบัตินะ ถ้าหาว่าฉันใช้ไปทีละน้อยมันก็หมดไปทีละน้อยเหมือนกับน้ำํำที่หยอดเข้ามาในตาเนี่ยถึงทีละหยดก็เถอะมันก็หมดขวดได้แล้วก็จอมปลวกก็เหมือนกันเห็นไหมมันตัวมดตัวเล็กๆมันคาบขึ้นมาพื้นดินขึ้นมามาเกาะไม่ทันเป็นจอมปลวกใหญ่เห็นไหมพึ่งมันช่วยการมันหาหลังมาใส่มันก็เป็นหลัง นี่แหละข้านาว่ามีการประหยัดมีการต่อเติมสดในทรัพย์สมบัติของความเจริญความรวยก็จะเกิดขึ้นแต่ท่านเอาไปใชเ้เหมือนกับหยอดตาน้ำหยอนน้ำยาหยอดตาทิละหยดมันก็หมดไปสมบัติของคุณก็เหมือนกันใ ห, ให้ระวังนะคือเป็นแนวนะโยบายของอานนน ผู้เป็นพ่อคือบอกให้พวกคณาจารย์สอนลูกชายสอนให้ขี้เหนียวให้ประหยัดทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นวันหนึ่งสามเวลานะแต่จะเข้าในสมองของสิริเศษฐีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นท่านก็ไม่ได้พูดนะแทบพอาต่อมาอานนนเศรษฐีก็เลยตายนะพอตาย พอตายคนขี้เหนียวก็ตายเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่แต่คนรวยพอตาย้了ไปเกิดเป็นลูกจันทารนะเป็นลูกจันทารก็คือคนในอินเดียมีอยู่วันณนะมีอยู่สีวนนะนะ่วันณนะเนี่ยวันณะกษัตริย์วันณะพราหมณ์วันณะแพทย์วันณะสูตรวันณะพราหมณ์ก็คือวพวกจันทารคือวันณะสูตรบนต่ำสุดแต่ไม่ใช่ตำสุดธรรมดาอีกท่านนี่ ร่างกายเนี่ปากกรเบี้ยวไปตั้งหนึ่งตาก็ปิดไปตั้งหนึ่งหูก็ไม่เสมอกันอีกแปลว่าวิญญาณวะของอนต์เศษฐีที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลูกจันทานะแปลว่ากรรมกรรมคือการกระทําของตัวเองยขี้เหนียวยังไปแล้วเนี่ยยังดุดาว่ากล่าวคู่คนอีกต่างหากใช้อากับกิริยาที่ว่าอันไหนจะใอรใครๆไม่รู้ว่าใครต่อใครล่ะพอคน เห็นแก่ตัวผลที่สุดพอตายจากอานุเสติไปเกิดเป็นคนจนจันทฐานในทองคนอยา่างันพ่อเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ในคนในตระกูลนั้นแปลว่าหากินเกือบไม่ได้ทั้งตระกูลเลวันไหนที่เอาลูกไปด้วยขอทานไม่ได้วัานนะต้องเอาลูกไว้ในบ้านพ่อกับแม่หรือว่าพ่อต้องไปหาขอทานเอามาเลี้ยงแล้วก็แม่ไปหาขอทานมาเลี้ยง ถ้าเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้เห็นไ้ยคนขี้เหนียวคนขี้ตีทีเหนียวมันไปที่ไหนมันไม่เจริญมันไม่รวยใครเห็นก็ไม่ไม่คลายๆกับว่ามันเป็นบาปกรรมปิดหูปิดตาพอในสุดพอใหญ่ขึ้นมาเท่นี้พ่อแม่เอ้ยลูกเอ้ยพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยด้วยความยากลำบากแต่ถึงยังไงก็ทิ้งไม่ได้เพราะลูกใช่ไ่ะถึงจะตาบิดตาเบี้ยวตาเบือนปาก บิดปากเลขนาดไหนก็คือลูกของตัวเองครพอเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาก็เลยเอากระเบื้องใส่มือเอาขันขันขอทานใส่มือไปลูกก็ไปหาขอกินนะบัตินะอย่างแม่พ่อแม่พาไปขอนั่นแหละออทางลูกชายก็ได้กระเบื้องไปหาขอกินตามมีตามเกิดก็ได้บางกินบ้างอิ่มบ้างเองแมแอมเต็มทนเสื้อผ้าไม่ต้องพูดไม่ต้อง ว่ากันหละแต่เนี่ยแปลว่าเห็นแล้วก็เหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นลงลักษณะอย่างนั้นลหละเจก็พระพุทธองค์เห็นว่าเออมูลชลิเศษธีเนี่ยเขามีอุปนิสัยเออเป็นลูกของอานน์เศรษฐีเนี่ย เ, เราควรจะไปปลดเขาแต่นั้นพระอานน์พระพุทธองค์ก็ ตอนเช้าพระพุทธองค์ก็พาพระอนุ์เดินตามหลังไปบินทบาทเป็นปัจชาสมะณะถ้าสับปะษาบลีวว่าปัจชามะณะคือเป็นผู้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงหน้าประตูบ้านเศรษฐีพระพุทธองค์บอกว่าอนุนท่านก็มองมองดูพระอนุ์พระอานุ์ก็จัดหาที่นั่งแล้วก็บอกประกาศคนแถนเอ้ยจัท่าแย่ทวงใครจะมาฟังพระพุทธองค์ แต่นี้พระองค์บอกว่าโมลสิริเศรษฐีนี่นะ่ะอันนี้ท่านทานท่านรู้ไหมว่าเป็นใครคือเด็กคนนั่นก็อยู่ในคือคล้ายๆกับว่าใจของเขานะ่ะถึงจะเป็นไปเกิดที่อื่นก็เติรใจของเขายังห่วงหาอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่เพราะใจของเขามันเคยมันเคยห่วงเนะ่ยคนห่วงนะถึงจะไปเกิดที่อื่นก็ยังห่วงอยู่ในบ้านหลังกับป้วนเปี้ยนอยู่แถบแถบนั่นละ่ะ เขาก็เห็นอยู่เขาก็ไม่ให้มันเข้าบ้านใช่ไหมันคนแบบนั้นจะเข้าบ้านเนี่ยเาก็ไล่ตะเพิดนะ่ยแต่นี่พระพรทธองค์บอกว่ามูลชิลเศรษฐีรู้ว่านี่เป็นใครไม่ไม่ทราบไม่รู้ครับมันเป็นเด็กจระจัดเด็กจันทานนะไม่รู้นี่แหละพ่อของท่านเนี่ยฟังดูนะเรืหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแลวเกิดนะไม่ใช่ตายและสูตนะเนี่นี่แหละพ่อของท่าน เศรษฐีมูลสิริเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขนาดนั้นเนี่ยเอาชี้ให้เด็กตาบิดตาเบี้ยวคนนั้นมาเป็นพ่อเนี่ยโอ้โหเออก็เหมือนกับจะเป็นใครมาพูดกับเธอนะจะระดับสูงขนาดไหนมาพูดกันนะเมยเมนทการไอ้มูลสิริเศรษฐีเนี่ยเหมือนกับงูเหา่างูจงอาง เ, เหมือนกับเอาเอาไม้ไปตีหางมันอย่างนั้นนะชูคอขึ้นมาเนี่ย พระพระองค์เอาอะไรมาเป็นหลักฐานทำไมดูถูกข้าบองค์ถึงขนาดนี้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะพวกหนูว่า เ, เอ้ยมูลชลิอเดี๋ยวเธอปฏิบัติตามเรานะปฏิบัติอย่างที่เราตถาคตพูดนะเธอจะรู้นะนี่นะให้เอาเด็กคนนี้ยห่ะเด็กพิการคนนี้แ่ะปากปิดปากเปี้ยวน่ะไปอาบน้ำชำระกาย แล้วก็ให้นอนให้อาหารอย่างดีให้นอนแล้วก็ให้ออกใจแล้วก็เข้ามาถามามาถามเป็นเวลาให้เขามีความสุขให้เขาสนิทสนมทุกอย่างเจแล้วให้ถามดูนะพ่อพ่ อ, อท่านเป็นพ่อของผมนะพ่อได้ฝังสมบัติไว้ที่ไหนที่ว่าห้าหลุมนั่นนะอ่ะที่ห้าหลุมที่พ่อฝังไว้พ่อยังไม่เคยบอกว่าคนคิดจะหนีเนี่นะ ไปฝังสมบัติไว้แล้วจะไปบอกใครกลัวเขาจะไปขุดเอานใช่ไหมแต่นี่พอจะบอกเข้าไปก็พูดไม่ออกแล้มันตายก่อนทเลยอยากคิดว่าจะบวกรูดลูกชายนาทีสุดท้ายนะแต่นี่มันพูดไม่ออกเลยตายก่อนพอตายก่อนแล้วก็พูดไม่ออกเออแต่วัดในใจเขาจำได้อยู่เขาบอกพ่อพ่อสมบัติที่ขุดที่ฝังไว้ห้าหลุมนั่น อ, อยู่ในบริเวณบ้านไม่อยู่ตรงไหนเพรา บริเวณบ้านเศรษฐีมันกว้างใช่ไหมล่ะบางคนเขาบอกเศรษฐีมันหลายร้อยไร่ไม่รู้จะฝังตรงไหนเ อ, อเวลาฝังเนีคงรู้จะเศรษฐีคนเดียวคนอื่นที่ฝังค ง, คงจะไล่หนีออกจากบ้านฆ่าทิ้งมันทําได้ทั้งหมดอะพอคนขี้จะหนีใช่ไหมเพราะนี้เธอก็เลยเลี้ยงอย่างดีท่านเลยกัทาง อาโนนเศรษฐีที่เป็นพ่อเก่าเนี่ยก็บอกว่าอืมมีฝังไว้อยู่เหมือนที่ไหนพ่อเรียกแบบนั่นแหละแบบเข้ารบนับถือแบบนั่นแหละไม่ให้นั่นเลยแล้วงั้นะพสต์นนนนสุดก็เลยไปชี้ให้ดูนจุดนี้จุดหนึ่งนะจุดนั้นหลุมหนึ่งนะจุดนี้หลุมหนึ่งรวมละห้าหลุมพอห้าหลุมเสร็จแล้วก็เมูลชริเศรษฐีเนี่ยก็เอาคนไปขุดเลยแหละ พอกูดขึ้นมาโอ้ยมีแต่ร อ, องเท้าสรลองพระบาททองคำอะไรมีแต่ของคำมีแต่เงินมีแต่ขอ ง, ม, ของมีคุณค่าทั้งหมดเลยเทเนี้ยขึ้นมาตั้งห้าหลุมเออจากนั้นมูลสิริเศรษฐีเลยสยบเลยทเนี้ยโอ้ยอมอไปกราบคารวะพระพุทธจเจ้าพระองค์เทศนะว่าการให้ฟัง มูลสิริเศรษฐีก็ได้สําเร็จพระโสดาบันนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านตายแล้วไม่สูญคนทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองถ้าคนขี้ตะนีทีเหนียวเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็อย่างนั้น่ะเห็นมาน น, น์เศรษฐีไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยได้สักอย่างถึงจะหวงไว้ก็หวงเถอะพอไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้านได้ตะกำท่านนะ่ะ กรรมที่ตนเองได้กระทำไว้กรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำไว้ในรับกรรมทั้งที่เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีน่าจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ทำบุญทำทานให้เกิดประโยชน์ต่อส า, สาธารณประโยชน์ไม่ใช่มันจะหมดเงินตั้ง80โกรธขนาดนั้นเออเอาสักครึ่งโกดก็ยังได้โกดหนึ่งคือโกดหนึ่งเท่ากับ10ล้านนะเงิน หนึ sun, 10 thousand, 10 thousand, ่งร้อยพันหมื่นแสนล้านโกดเออโกดแปลว่าสิบล้านอสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดเนี่ยคาว่าขควานับโกดหนึ่งแล้วแปดสิบโกดล่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่น้อยแต่ว่าเท่าไหร่ก็หวงแหนหมดขี้ตะนีทีเหนียวหมดเพราะว่าเป็นคนมัธยัติคนขี้ตะนี เพราะนั้นพวกเราแต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ให้ใจใหญ่นะให้รู้จักประมาณตนอย่างทุงที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อมองตอนเองซะก่อนถ้าว่าเครื่องมันร้อนหลวงพ่อเออเครื่องร้อนทําอีกไม่ได้หยุดซะก่อนจนกว่ามันจะงอกเงยขึ้นมาแต่เว้นเสียแ้าท่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานโอ้หลวงพ่อช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลข้าพรเจ้าเห็นด้วยเออเอามาเออเอามามา ทารโอรวยเราจะให้เราเราก็จะสงเคราะห์ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็หยุดไว้ก่อนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะทํายังไงได้พอเราทํามาได้เพียงแค่นี้เอาแค่นี้กัน่นาจะพบภาคภูมิใจพอเราได้ทํามามากต่อมากเพรา ะ, ะนั้นก็ให้คณะจทหายาธโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ไม่ดีอย่าทําเสียเลยดีกว่า ทำแต่สิ่งที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญถ้าคิดชั่วทำชั่วแล้วมีแต่ทางจิบหายฮะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร